รพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สพุทธภาคมพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาสร้างสมานามาสร้างที่พึ่งทางใจที่พระพุทธศาสนาจะพึงมอกให้แก่พวกเราได้เพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสา ร, รณะที่พึ่งทางใจ ที่แท้จริงเพราะไม่มีศาสนาใดไม่มีคําสอนใดไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะสามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสารณะที่สูงสุด เป็นที่พึ่งที่สูงสุดเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทำให้เราดับความทุกข์ภายในใจของเราได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจอยากจะอยู่อย่างสุขสบายใจ อยากจะประอยู่ปราศจากความทุกข์ต่างๆเราต้องพยายามสร้างสาระขึ้นมาที่ใจของเราให้ได้สาระคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ท่านอยู่ข้างนอกใจของเราถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับยาที่เรายังไม่ได้รับประทานยาที่อยู่นอกร่างกายถึงแม้จะเป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่รับประทานยาที่วิเศษนั้นยาก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราให้หายได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสรณะที่พึ่งที่สูงสุดที่ดีที่สุดนี้ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ถ้าเรายังไม่ได้น้อม นำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจของพวกเราดังนั้นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขใจสบายใจไปตลอดเราก็ต้องน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้ามาอยู่ภายในใจของเราวิธีที่จะน้อมนี้ก็ เกิดขึ้นได้สองขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเราต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นใครเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้รู้จักวิธีที่จะน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้า ม, มาสู่ภายในใจของเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นแรกเรียกว่าเป็นการศึกษา พวพุทธศาสนานี้สอนให้พวกเราศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติวิธีที่จะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจอย่างตอนนี้ญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเรียกว่ามาศึกษา พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสาระที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันเรามาศึกษาว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรพระ อ, อริยสงสาวกท่านเป็นใครท่านทจึงเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้เพราะอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัติตัวของท่านนั่นเองท่านประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นเราถึงจะได้พระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ภายในใจของเราเช่นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานทรงรักษาศีล สมปฏิบัติจิตภตาวนาจึงทำให้พระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นเยี่ยงอย่างทำตามที่พระพุทธเจ้าได้สมกระทามาพวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันคือเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุก เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นพระสงสาวกเป็นใครท่านก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาเหมือนพวกเราในขณะนี้ที่ได้ศึกษาพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างเอาคําสอนเป็นผู้นําทาง พอปฏิบัติแล้วใจของท่านก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นท่านก็เลยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราว่าพวกเรากับท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนกันก่อนที่ท่านจะไป็พระอาหารหันตสาววเป็นสังฆรัตรนะณะท่านก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลส มีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์ใจเหมือนกันกับพวกเราแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาพระประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ น้อมเอาแบบฉบับอันดีงามคือปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับปฏิบัติตามทุกทูกทุกชนิดทุกรูปแบบแล้วในที่สุดเราก็จะได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องแรกคือการศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระสง์อริยะสงฆ์สาวกเป็นใคร ท่านดำเนินชีวิตอย่างไร mm hmm. เพราะการดำเนินชีวิตของท่านนี่แหละ mm hmm. ที่เป็นเหตุที่ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ mm hmm. ท่านหาลาบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับที่พวกเรากำลังหากันอยู่หรือเปล่า mm hmm. ท่านไม่หาท่านสละท่านไม่หาทรัพย์ท่านสละทรัพย์ด้วยการทำทานท่านสละความสุข ทางตาหูจมูกิินกายด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญจิตถภาวนานี่แหละคือความแตกตา่างระหว่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกกับพวกเราแตกต่างการในวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของพวกเราท่านเดินไปทางหนึ่งเราเดินไปอีกทางหนึ่งทางของท่าน ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ทางของเราเป็นทางที่พาให้เราเดินเข้าสู่กองทุกข์กองทุกข์ก็คือราบยศสารเสริมคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าราบยศสารเสริมความสุขทางตาหูจะหุดจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเป็นความสุขเดียวเดียว เวลาหมดไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาถ้าเรายังหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะเดินเข้าหากองทุกข์อยู่เรื่อยๆเราจะต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะวันใดวันหนึ่งเราต้องสูญเสียราบยศสรรเสริญไปนั่นเองดังนั้นเราต้องดูทําไมพระพุทธเจ้าจึง ดำเนินไปในทางของทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี้ดีอย่างไรทานศีลภาวนานี้เป็นการเดินเข้าหาความสุขทางใจเพราะการให้ทานนี้เป็นความสุขการอยากได้ทรัพย์สมบัติเป็นความทุกข์เวลาเกิดความอยากแล้วใจเราเป็นอย่างไรอยู่เฉยๆได้ไหมหรือต้องดินน่นกวาดแกว่ง แล้วพออยากแล้วก็ต้องออกไปหาสิ่งที่อยากได้ขณะที่หาเป็นยังไงง่ายไหมสะดวกไหมหรือจะต้องพบกับอุปสรรคต่างๆพบกับปัญหาพบกับความทุกข์พบกับความวุ่นวายใจต่างๆนี่ก็เกิดจากการที่เราอยากได้ทรัพย์นั่นเองแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการไม่ให้ไม่อยากได้ทรัพย์นี่แหละ เป็นทางสู่ความสุขใจดับความทุกข์ใจได้ด้วยการสละทรัพย์มีทรัพย์มากน้อยเพียงไรถ้าสละได้ก็สละไปสละไปให้หมดเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละส่งสละพระราชาสมบัติพระสาวกทั้งหลายก็สละทรัพย์สมบัติเหมือนกันมีเงินมีทองมากน้อยเพียงไรก็สละให้ผู้อื่นไป แล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวหกห่างไกลจากความวุ่นวายของการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจนุกเล่นกายไปเจริญจิตตะภาวนาเพื่อหยุดความคิดที่ผลิตความอยากต่างๆขึ้นมา พอหยุดความคิดที่ผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาได้ความอยากต่างๆหายไปหมดไปจากใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยเพราะความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากความอยากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการได้ลาบยศเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย หรือเกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดโผฏพลาไปแต่เกิดจากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดโผฏพลาพอไม่อยากได้หรือพอสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ใจจะไม่เดือดร้อนเวลาลาบยศเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์หายไปหรือมีอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าใจไม่มีความอยากความอยากนี้เท่านั้นแลที่เป็นตัวเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหยุดความอยาก ด้วยการทำทานแทนที่อยากได้ให้สละไปถ้าจะเก็บเอาไว้ก็เก็บไว้เท่าที่จําเป็นไว้สําหรับดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปอย่างเป็นปกติสุดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติจเจริญจิตตะภาวนาเพื่อที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นนี่คือหน้าที่ของ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีไว้เพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้อดอยากขาดแคลนไม่ให้เดือดร้อนนะเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาในการรักษาศีลเพื่อหยุดความอยากที่จะพาให้ไปทำบาปทำกรรม ถ้าอยากฆ่าก็ไม่ฆ่าอยากลักทรัพย์ก็ไม่ลักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ประพฤติผิดประเวณีอยากจะพูดโกดโกหกหลอกลวงก็จะไม่พูดโกดโกหกหลอกลวงอยากจะเสพสุรายาเมาและอบายลุกทั้งหลายก็จะไม่เสพนี่ก็เป็นการตัดความอยากอีกระดับหนึ่งระดับสูงขึ้นไปขั้นที่สอง ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปถ้าเรารักษาศีลได้ทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป ก, ก็จะไม่มีแล้วถ้าเราปฏิบัติขั้นที่สามได้คือจเจริญจิตตภาวนาควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางความอยากให้ได้ออไม่คิดไปในทางความอยากความอยากไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีตามมา นี่แหละคือ ว, วิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ดำเนินชีวิตมาแล้วได้เอาวิธีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเป็นพระธรรมคำสอนเป็นสรณะที่พึ่งแทนพระพุทธเจ้าแทนพระอาหารหันตาสาวกในกรณีถ้าเราไม่สามารถ พบพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถพบพระอรหรันตสาวกได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรายังมีที่พึ่งอยู่เรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ yeah. คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อย่างสมัยนี้พวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราแล้ว แต่พวกเรายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้รับรู้ผ่านทางสื่อต่างๆเพราะทางคาสอนนี้จะเป็นผู้ที่นําพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้อง ปฏิบัติตัวเราอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าท่านสอนให้เราทําทางให้เรารักษาศีลให้เราภาวนา<ม>นี่คืองานของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิสถานอยู่ภายในใจของพวกเราเราต้อง นำพระพุทธพธรพรมผสมเข้ามาด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาทำทานตามกำลังของเรามีมากมีน้อยทำไปถ้าไม่มีก็หมดปัญหาไปทานนี้มีไว้สำหรับให้เราลดจำนวนทรัพสมบัติเข้าของเงินทองให้น้อยลงไปเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระทางจิตใจ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นเครื่องมือของความอยากถ้าเรามีเงินมากเกินไปความอยากจะใช้เงินนี้ก็จะเกิดขึ้นอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอซื้อแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์ เพราะว่าหลังจากซื้อมาแล้วก็ยังไม่พอยังอยากจะซื้ออีกถ้าซื้อบ่อยๆต่อไปเงินที่มีอยู่ก็จะหมดเงินก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็เดือดร้อนทุกข์ขึ้นมาอีกนี่คือเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่องสอนให้พวกเราทำทานอย่ากเก็บเงินเอาไว้มากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะไป ใช้ตามความอยากที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าเราไม่มีเงินใช้ซื้อของฟุ่มเฟยไม่มีเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีความทุกข์จากความอยากเหล่านี้นี่คือทานแต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการ ไปหาเงินมาเพื่อมาทำทานอันนี้ไม่ใช่ทางที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนบางคนคิดว่าตนเองไม่มีเงินไม่ได้ทำบุญไม่ได้บุญก็เลยต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้มาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่เป็นทางที่พู้เจ้าทรงสอนให้กระทำถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องทำรักษาศีลได้เลย ทำขั้นต่อไปได้เลยคืออย่าทำบาปอย่าทำบาปบางครั้งเราอยากจะได้เงินมาทำบุญเราก็ไปทำบาปเช่นไปขายของแล้วก็ไปโกหกหรือขายขายของค้ากำไรเกินควรอยากได้เงินมากๆอย่างนี้ก็เรียกว่าช่อโกทำอย่างนี้แล้วก็เอาเงินที่ได้มามาทำบุญก็ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะว่าบาปนี้มันมีโทษมีความทุกข์แรงกว่าบุญที่เราได้จากการทำทานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินทำทานทำบุญเราไม่ต้องกังวลเรามารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากเท่านั้นก็พอนี่คือเรื่องของทาง ถ้ามีมากเหลือเฟืออยาเก็บเอาไว้เพราะจะเป็นปัญหาได้เราต้องคอยดูแลรักษาเวลาหายไปก็เสียอกเสียใจสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเวลามีก็กวิตตกกังวลกลัวจะหายกลัวจะหดต้องคอยตรวจดูดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆว่าที่ไหนมีดอกเบี้ยสูงก็ต้องโยกย้ายเงินไปหาดอกให้มีมากขึ้นไป แทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์กับเงินทองเพราะมีมากเกินไปมีไว้พอใช้ก็พอแล้วพอกินอย่างที่ในหลวงทรงตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือพอมีพออยู่พอกินพอไปไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจอย่าไปอยากยามีมากไปกว่านั้นเพราะความอยากจะทำให้ใจของเราวุ่นวาย ทำให้เราต้องดิ้นรนทำให้เราต้องไปต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคในการหาเงินหาทองของพวกเราให้เรามาหาความสุขจากการรักษาศิลดีกว่าจากการไม่ทำบาปเวลาทาใจไม่ทำบาปแล้วจะมีความเย็นมีความสบายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลแล้วก็ให้มาหาความสุข จากการทำใจให้สงบหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากนี่คือวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจต่างๆของพวกเราให้หมดไปมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นและเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพราะมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตาสาวกเป็นตัวอย่างแล้วพระอาหารหันตาสาวกก็มีทุกเพศทุกวัย มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาดดังนั้นพวกเรานี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ถือว่าพวกเรานี้อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํา เราจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองถ้าเรามีความเชื่อมีศรัทธาและเรามีวิรยิยะมีความอุตสาหะความพยายามที่จะปฏิบัติตามรับรองได้ว่าเราจะปฏิบัติได้เราจะได้ผลเช่นเดียวกันเราทำจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทาทานได้เท่าไหร่เรามีสมบัติเท่าไหร่เราแบ่งไปทาทานได้เท่าไหร่ ตอนนี้แบ่งไปร้อยละสิบก็ทำไปก่อนพอทำไปแล้วต่อไปก็เพิ่มขึ้นเป็นน้อยละ20สิบน้อยละสามสิบเพราะถ้าทำแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาก็จะเห็นคุณของการทำทานเห็นความทุกความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองเกี่ยวกับการรักษาเงินทองก็จะอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย แล้วเราก็รักษาสิงตามกำลังของเราตอนนี้รักษาได้กี่ข้อก็รักษาไปก่อนดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาได้ข้อเดียวก็รักษาไปก่อนขั้นต่อไปก็รักษาสองข้อสข้อรักษาได้กี่วันก็รักษาไปพยายามรักษาเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยต่อไปก็จะรักษาได้ทุกวันรักษาได้ทุกข้อ เช่นเดียวกับการเจริญภาวนาวันนี้เดี๋ยวนี้ทําได้วันละกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงทําได้สิบนาทีก็ทําไปก่อนต่อไปก็เพิ่มเป็นยีสิบนาทีสาสนาทีนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปเดี๋นั่งหลับต า, บตาสวดมนต์ไหว้พระไปภายในใจอยู่ที่ไหนก็ทําได้ไม่ต้องมีห้องพระ นั่งรถไปขณะรถนั้นติดไม่รู้จะทําอะไรก็หลับตาสวดมนต์ไปอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาอย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนึงใจให้มาคิดอยู่กับพุทธโธคิดอยู่กับบทสวดมนต์แล้วมันจะหยุดความอยากหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากได้พอความอยากไม่มีใจก็เบาใจก็สบาย จะเห็นคุณค่าของการภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหเราภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาได้พุโทโธพุโทโธไปภายในใจได้ทำอะไรก็ภาวนาได้อาบน้ำอาบท่าก็พุทโธได้รับประทานอาหารก็พุทโธได้ขอให้เราลองทำดูเถิดแล้วเราจะเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการภาวนา ว่าทำให้ใจของเราเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นใจของเราทุกวันนี้หนักอกหนักใจเพราะอะไรเพราะความคิดของเราเนี่เอคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เสีย อ, อก <c oughs> เสียใจหนักอกหนักใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดแล้วใจของเราจะว่างจะเบา จะเหมือนกับลอยอยู่ในอวากาศนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการภาวนาจนในที่สุดเราจะไม่มีความอยากความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยใจของเราจะว่างจะย็นจะสบายไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจของเราจะไม่ไปยุ่งด้วย อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดไปอะไรจะดับก็ปล่อยให้ดับไปเพราะเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามเขาได้นั่นเองการอยากไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราการปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาเป็นการดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปจึงขอให้พวกเรา เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยรสงสาวกแล้วพยายามปฏิบัติทำทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆทำไปให้มากขึ้นไปตามลำดับรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวงทั้งหลายได้หลุดพ้นกันอย่างแน่นอน จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจพยายามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วจะได้ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้และเราก็จะได้รับผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามลําดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจแค็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ